ข้อความในตอนสุดท้ายของเพชรพระอุมาภาพหนึ่งบ้านวราริตหนึ่งกรกดาคมสุภาพบุรุษไพรของฉันคุณใจดำนี่บอกตรงๆนะไม่คิดว่าจะเขียนหรือส่งข่าวอะไรถึงคุณอีกเลยทั้งสิ้นขอให้อดีตที่ผ่านมาทั้งหลายนะ่ะเป็นความฝันไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ภายหลังจากที่คุณสัญญากับพวกเราไว้แล้วเมื่อก่อนจากกันครั้งสุดท้ายที่บ้านพักคุณอัมพลเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่แล้วว่าอีกเจ็วันคุณจะตามพวกเราขึ้นมาพบปะเลี้ยงฉลองกันที่กรุงเทพซึ่งมันเป็นการให้สัญญาลมุลมลุ่มแ้งแรงของคุณไปอย่างนั้นเองเพราะจากกันวันนั้นพวกเราก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากคุณอีกเลยแม้แต่จดหมายสักประโยคเดียว ทารานอะไรไร้สัจจ์และนี่เป็นการไร้สัจจ์ครั้งแรกที่ฉันได้พบจากคุณนะก็โชคดีอยู่บ้างหรอกนะที่การไร้สัจจ์ของคุณนะ่ะกระทาขึ้นภายหลังจากที่พวกเราทุกคนพ้นจากการพึ่งพาคุณแล้วแล้วก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าการไร้สัจจ์ชนิดนี้จะเกิดขึ้นกลางป่าระหว่างการเดินทางพวกเราไม่ตายกันไปหมดแล้วเหรอจ๊ะว่าไงจ๊ะ พ่อพรานรายใจฉกแฉเราหมายถึงฉันพี่ใหญ่พี่กลางชายันแล้วก็เมโทรศัพท์ถึงคุณอัมพลในวันที่หกอันเป็นวันที่เราสมควรจะได้รับข่าวคราวจากคุณและคุณอัมพลก็ได้ส่งคนไปตามคุณถึงหนองน้ำแห้งเพรพ่อพรานตัวดีของเรานะ่ะหายศีรษะเข้าป่าไปซะและ้วตั้งแต่สองวันก่อน แล้วก็ไม่มีกําหนดเวลาที่ทางฝ่ายคุณอัมพลจะรู้แน่ว่าพอยอดชายนายรพินไทรวันจะกลับเมื่อไหร่เขาสบถสาบานกับเราว่าเขาไม่ได้ใช้ให้คุณไปในกิจการของเขาเลยไม่ว่าจะในด้านไปจับสัตว์หรือจัดทัวร์นำเที่ยวให้กับใครทั้งนั้นแหละแล้วก็ให้ความเห็นเป็นส่วนตัวว่าคุณก็คงจะท่องไพรไปตามสัมดานก็โทษนะก็ของคุณนั่นแหละ คนอื่นๆในบรรดาพวกเราจะรู้สึกเช่นนันเช่นไรนี่ฉันไม่ทราบหรอกแต่สําหรับฉันน่ะฉันรู้ทันนะกระหลดเลี่ยงการขึ้นมาพบตามสัญญาใช่ไหมล่ะกินนอนบกุกฝ่าฝ่าดงมาด้วยกันถึงเพียงนั้นแล้วลึกเหรอว่าฉันจะไม่เท่าทันลูกไม้ถึงแม้ฉันจะไม่ใช่แง้ทายก็ตามโกรธรู้ไหมก็เลยไปเที่ยวรอบโลกซะเลยแล้วก็ตัดสินใจ ลืมชื่อคนรพินไพรวันซะให้เด็ดขาดแต่บ้าจังไม่ว่าจะไปอยู่มุมไหนของโลกนะไม่ว่าจะหลับหรือตื่นไม่ว่าจะสนุกสนานสักแค่ไหนฉันลืมชื่อพิลึกนี้ไม่ลงะระพินชื่อของคุณฟังอ่อนโยนนะสาวมันกระเดียดไปทางผู้หญิงหรือกระเทยงั้นแหละเมื่อได้ยินครั้งแรก แต่ทำไมถึงมาเป็นชื่อของจอมพรามณ์ผู้ยิ่งใหญ่ไปได้ก็ไม่รู้สิในปารีสในลอนดอนนิวยอร์กโรมออสโลบาเซโลนามิลลิแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่ไหนทั้งนั้นแหละคุณรู้ไหมก่อนหลับนะน้าตาฉันไหลทุกคืนก็คิดถึงคนใจดำาร้ายกาบคนหนึ่งไง ฉันไม่เคยร้องไห้เพราะคิดถึงผู้ชายมาก่อนเลยนะแต่คิดว่าในชีวิตนี้เรื่องอย่างนี้ไม่มีวัน่ละแต่ฉันก็ไม่ได้ร้องไห้หรอกน้ําตามันไหลออกมาเฉยๆเมื่อฉันโหนคิดไปถึงเขาคนนั้นแต่ฉันก็ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าขนาดนี้นะเขากำลังนอนอยู่ใต้ร่มใบไม้ใบบังที่ไหนนะ จะคิดถึงใครคนหนึ่งที่เคยนอนหนุนซวงอกเขากลางใครในยามทุกข์ยากอยู่ด้วยกันบ้างไหมใครคนหนึ่งที่พอเจอหน้ากันครั้งแรกก็คอม็นหน้าเขาซะเต็มประดาอยากจะตบด้วยหลังมือให้ซะเปรี้ยงแต่แล้วในที่สุดใครคนนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายบอกรักแกเขาก่อนคิดแล้วก็น่าอายนะ คุณสงสัยไหมว่าฉันไปกับใครนึกเหรอว่าแฟนของฉันจะไม่มีแล้วไปงานกัน ท, ทันทีที่กลับมาถึงบ้านแล้วก็ไปฮันนีมูนกันรอบโลกละเปล่าผู้เล่นนะผู้เล่นฉันก็ไปกับพี่ชายของฉันนั่นแหละสองพี่ชายละคุมน้องสาวยังกาานะไรดียังกะจัดคุมไม่เพื่อับประเคนในใครสักคนหนึ่งอย่างนั้นไอหนุ่มเชื้อชาติไหนที่เข้ามาเลียบเคียงอยู่ใกล้ชิด ถูกพี่ชายสองคนนะี่ทำหน้าที่เป็นทศกันไล่ตะเพิดออกไปหมดน้อยอย่าลืมสุภาพบุรุษแสนดีคนหนึ่งที่หนองน้ำแห้งเซนนะเขาทั้งสองมักจะพูดกับฉันเช่นนี้เสมอละ่ะเมื่อฉันมีเดทจะไปดินเนอร์หรือค็อกเทลปาร์ตี้ก็ให้หนุ่มหน้าไหนจึงแน่ละเอากระบุงโกยไม่ไหวแล้วก็ไม่ซ้ำหน้ากันด้วยและที่น่าราคาญที่สุดก็คือ แก่จนป่านนี้ละ่ะยังอุตส่ามีพี่ชายสองคนทําหน้าที่คอยควบคุมเรากระสาวอายุสิบเจ็ดทั้งๆที่เมื่อสมัยก่อนนะนะเขาทั้งสองคนไม่เห็นจะเอาใจใส่ใฉันแบบนี้เลยะไปหัวหกก้คนขิดเที่ยวหัวรานานอยู่ที่ไหนอ่อนน่ะไม่เคยไม่เคยที่จะเข้ามายุ่งเดี๋ยวนี้สิฉันกลายเป็นสาวน้อยรุ่นกระตอกที่พี่ชายตัวโตสองคนช่วยกันคุมไปซะแล้วแหละ รู้ป่ะพี่กลางน่ะตะบันหน้าไอ้หนุ่มตะเลี่ยนคนนึงเมื่อมันจับมือฉันไปจูบในคืนนึงก่อนที่เราจะจากกันในงานบอลแล้วคืนนั้นน่ะเราก็ทะเลาะกันจนถึงตีสามทีเดียวจนกระทั่งพี่ใหญ่ต้องเข้ามาห้ามแล้วก็ไล่ให้ไปนอนด้วยกันทั้งคู่ฉันกับพี่กลางน่ะไม่พูดกันสามวันทีเดียวชฉยแหละก็เรื่องที่เขามาต่อยแฟนของยันคืนนั้นแหละชายันกับเมย์ก็ร่วมทางไปตะเราด้วยแล้วเมื่อไปถึงมิวนิก เมเขาก็เอาชายันแยกไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่แถบอัรติกเรามีจุดนัดพบกันอีกครั้งหนึ่งในสามสัปดาห์ต่อมาที่ฮาวายจากนั้นเราทั้งสองฝ่ายก็แยกทางกันอีกครั้งฉันพี่กลางและก็พี่ใหญ่มาญี่ปุน่นในขณะที่สองผมเมเขาไปคิเนเมเขาจะไปเยี่ยมพ่อของเขาที่นั่นก็เลยเอาสามีใหม่และก็ลูกในท้องไปอวดพ่อเขาด้วย เรวสัญญากันว่าจะกลับมาพบกันในกรุงเทพอีกครั้งภายในไม่เกินหนึ่งเดือนเมยก็มีหมายกำหนดการที่จะมาคลอดที่กรุงเทพโดยย้ำความตั้งใจเดิมว่าใครจะทำคลอดให้แกเขาไม่ได้ทั้งสิน้นนอกจากหมอดารินโอ้นี่ฉันต้องกลายเป็นหมอตำแยไปอีกครั้งแล้วสินะทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยทำคลอดให้กับใครเลยนอกจากเมียของเจ้ากระเหลียงคนนึงลูกบ้านของขยินที่ลมช้าง คุณจำได้ไหมวันนั้นคุณน่ะเป็นลูกมือฉันแล้วก็คอยพูดอะไรบ้องๆ ย, ยั่วฉันอยู่ตลอดเวลาเช่ะแล้วคุณจําได้ไหมจ๊ะว่าคุณน่ะได้ให้สัญญากับเมย์เขาไว้ไว่ายัางไงคุณบอกว่าในวันที่เขาคลอดคุณจะมาอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็จะรับเป็นพ่ออุปถัมภ์ให้แกลูกของเขาถ้าเด็กเกิดมาเป็นผู้ชายเขาขอชื่อสกุลของคุณไว้แล้วเป็นนามแรกของเด็ก คือไพรวันและถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะขอให้ชื่อดารินีไพรวันอันันไทร์หรือดารินีอันันไทร์ดูช่างตัวโตเหลือเกินเมื่ออยู่ในท้องแม่ขนาดนี้ฉันคิดว่าน้ำหนักของเด็กอาจจะเกินสี่พันกรัมขึ้นไปละขอภาวนาให้เขาเคลอดได้โดยปกติอย่าให้ฉันต้องทำซิเซเรียนเซ็ชันเลยฉัน พี่กลางแล้วก็พี่ใหญ่กลับมาถึงกรุงเทพก่อนชายันและเมเกือบสองอาทิตย์น่และในขณะนี้เราอยู่กันพร้อมหน้าจากการตรวจท้องฉันคิดว่าเมคงจะถึงกําหนดคลอดภายในไม่เกินสองอาทิตย์นี้เป็นอย่างช้าสองผัวเมียต่างผิวพันธุ์ดูเขาจะรักกันอย่างแน่นแฟนดีมากฉะหละแล้วเมก็เปลี่ยนนิสัยเดิมไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้นะ่ะเขไม่เจ้าชู้แล้วนะ อารมณ์เยือกเย็นขึ้นมากแล้วก็สวยกว่าตอนที่อยู่ในป่ามากนะักฉันคิดว่าคู่นี้จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปและช้ยยันก็นำเมียมแหม่มไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วญาติทางฝ่ายเขาก็ต้อนรับเมดีไม่มีใครรังเกียจหรอกจ้าระพินค่ะคุณทราบไหมหวนเพชรติจกราชสวมไม่ฉันน่ะฉันไม่เคยถอดเลยนะ สวมติดนิ้วอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งฉันไปเที่ยวในตลาดเพชรนิวยอร์กนี่คุณทายสิพ่อค้าเพชรที่นั่นนะ่ะเขาตีราคาให้ฉันเท่าไรแน่ละเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินให้ฉันทันทีถ้าตกลงสองล้านสองแสนเหรียญอเมริกันจ้ะฉันในตัวเย็นเฉียบพี่ใหญ่กับพี่กลางนักตะลึงเพราะข่าวแพร่สพัดออกไปเท่านั้นแหละ เราต้องจ้างตำรวจได้นักสืบสองคนคอยคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าฉันจะไปไหนความจริงมันก็ไม่ใช่เงินจำนวนมากมายอะไรนะแต่ใครใส่แหวนเพชรราคาสองล้านสองแสนเหรียญดูออกจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงโดยใช่ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้ใส่แล้วนั่งกรีดนิ้วอยู่แต่เฉพาะในครือขาบที่เลี้ยงเสือลายพาดกรแทนสุนัข สำหรับของเมนะี่ฉันไม่ทราบราคาหรอกและเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้สนใจจะเอาไปตีราคาที่ไหนเมย์เขาก็สวมติดนิ้วอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันและการที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวทำให้คนทั่วไปไม่รู้ค่าของมันนึกว่าของปลอมเพราะมรกรอะไรจะเม็ดใหญ่เม็ดโตถึงขนาดนั้นคงไม่มีใครเขาเชื่อหรอกความจริงยิ่งอยากจะขายแหวนวงนี้นะ เพราะอยากจะได้เงินมาขอมั่นใครสักคนหนึ่งถ้าไม่ใช่พระเจ้าน้องชายแงซ า, ายของฉันแอบมากระซิบกับฉันเป็นการส่วนตัวโดยให้ไม่ให้ใครได้ยินว่าพี่สาวครับผมขอมั่นพี่สาวไว้ให้แก่พี่ชายผู้กองรรบพินไพรวันของผมด้วยแหวนวงนี้ครับนี่คุณเชื่อไหม ว่าเจ้างาทรายจอมกระล่อนของคุณนะ่ะกระซิปกับชั้นอย่างนี้จริงๆดูเถอะนี่ฉันจะมานั่งเขียนจดหมายอะไรเป็นคุ้งเป็นแควถึงคนใจหินอยู่ทำไมให้มืยมือนะเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังสารพัดยังไม่รู้เลยว่าฝ่ายรับจะสนใจอ่านหรือเปล่าฉันน่ะบ้ามากไหมคิดและเจ็บใจตัวเองจริงๆ ความจริงวันนี้ฉันตั้งใจจะโทรศัพท์ถึงคุณอำพลเพื่อถามข่าวคราวคุณอีกครั้งภายหลังจากกลับมาถึงกรุงเทพเกือบเดือนละแล้วก็แข็งใจทำเป็นนิ่งเฉยไปซะบ้างแต่มาคิดดูอีกทีหนึง่งไม่อยากได้ยินคำตอบทางโทรศัพท์จากคุณอำพลว่าคุณหญิงครับผมน่ยยังไม่ได้ข่าวคุณรพินเลยรู้สึกว่าตอนนี้จะออกป่าครับ เหมือนอย่างที่จัาเคยได้ยินอยู่ไม่น้อยกว่าสองสามครั้งมาแล้วในการเพียรพยายามติดต่อถึงคุณก่อนหน้าที่จะออกเดินทางก็ไม่รู้ว่าอิตาอำพลกรรจั ก, กันท่าในาพรานคนนี้ไว้ให้คุณแสงโสมหลานสาวของกะเองหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าดูชมจะเล่นงานให้ลมละลายเลยนี่คุณรู้ไหมคุ ณ, ณําพลเป็นหนี้เราอยู่ไม่ต่กว่าห้าสิบล้านบาทนะ นานมากกว่าหกเจ็ดปีแล้วซึ่งทรัพย์สินของกระทั้งหมดในขณะนี้ไม่พอจะใช้นี่หรอกถ้าเราเรียกร้องตามสัญญาขึ้นมานี่ไม่อยากจะอวดตัวหรอกเดี๋ยวนี้ฉัฉนสวยขึ้นมากนะจะบอกให้รับรองว่าคุณเห็นจำไม่ได้ทีเดียวแหละสวยกว่าตอนที่เราพบกันครั้งแรกที่หนองน้ำแห้งจะอีกในจ๊ะน้ำหนักตัวเพิ่มอีกสามกิโลแต่เอวนะ่ะลดลง สองนิ้วเหลือแค่ยี่สิบสามรอบอกสามสิบห้าตะโพกสามสิบห้าครึ่งแล้วทำไมมันดูสั้นไปหน่อยก็ไม่รู้สิคุณแต่ก่อนนะวัดได้ร้อยหกสิบเจ็ดเซนเดี๋ยวนี้รู้สึกจะลดไปหนึ่งเซนนะเรียนหมอและมนุษยวิทยามาก็นานนานเคยพบมาก่อนมั่งเหมือนกันแหละว่าคนเราพอแก่ตัวลงกระดูกมันอาจจะหดลงได้ เรื่อสมัยก่อนฉันจะวัดผิดก็ไม่รู้สิคุณนี่อาทิตย์หน้าวันที่สิบสี่ที่จะมาถึงเนี่ยเป็นวันครบรอบยี่สิบแปดปีของฉันพอดีแก่ไปไหมคะสำหรับใครสักคนหนึ่งแต่ฉันรู้นะคุณแสงโสมนปาเขาไ้ตั้งสามสิบห้าขวบแล้วและลงได้พยายามทุกอย่างฉันก็ได้ย่นโฉมคุณเธอผู้นั้นจนได้แล้วนะ้าในกรุงเทพนี่เองกี่รถสปอร์ตบอช อยู่ตึกราคาหลายสิบล้านที่สามีเก่าทิ้งมรดกไว้ให้นี่อย่าหาว่าใส่ไฟเลยนะมินุ่มหน้าตาดีๆนั่งคู่ในรถไม่ซ้ำหน้าฮะและนายรพินไทรวันผู้หล่อเหลาเหมือนแก่งเหมือนกวางจะไหวรึแกล้งเขียนเล่ามาให้เจ็บใจย่างนั้นแหละจะทำอะไรรพินคะน้อยรักคุณนะ อยากจะสลัดความรักอันนี้ไปตั้งนานแล้วแต่มันสลัดไม่ออกคุณให้ตาเท่าหมอผีบุญคําวางสเสนียยาแฝดอะไรน้อยไว้หรือเปล่าล่ะคะคุณสังเกตไหมนอกจากพี่ชายของฉันทั้งสองคนแล้วฉันไม่เคยแทนชื่อตัวเองว่าน้อยกับใครมาก่อนทั้งสิ้นแม้แต่คุณเองเอาล่ะเมื่อคุณได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วคุณมีโอกาสตัดสินใจได้ 2 อ, อย่างอย่างที่1คุณจะขึ้นมาให้ทํา ง, งานวันเกิดของฉันและอยู่ให้ถึงวันคลอดของเมย์ซึ่งจะเป็นเวลาไล่เลี่ย ก, กันหรือว่าอย่างที่สองจะให้ดารินบาราริสลงไปที่หนองน้ําแห้งพร้อมกระจุบ460 w e a t h e r b e Magnum แล้วก็ไล่ ย, ยิงผู้ชายสักคนหนึ่งให้ขาดสองท่อนเหมือนเหมือนกับที่ฉันเคยยิงสัตว์ร้ายมาแล้ว โทษฐานผิดสัญญาทรยศขบุใจคุณเลือกเอาได้ฉันหมายความตามที่เขียนจริงๆนั้นเนี่ยก่อนจบ จ, จดหมายอันยาวเหเอียดฉบับนี้ซึ่งฉันก็ไม่เคยเขียนถึงใครยาวอย่างนี้มาก่อนนะขอฝากความรักและระลึกถึงมายังลูกน้องของคุณทั้งสี่คนด้วยตะเ่าบุญคำจันเกิดแล้วก็เสื่อ หวังว่าเขาคงอยู่ด้วยดีกันทุกคนแล้วก็เตือนให้เขารู้ไว้ด้วยนะว่าถ้าเจ้านายของเขาถูกผู้หญิงคนนึงตามลงไปไล่ล่าด้วยไรเฟิลยิงช้างเมื่อไหรแล้วก็พวกเขาทั้งสี่คนจะพลอยถูกล่าพร้อมกันไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเขาไม่ช่วยกันจับเจ้านายส่งตัวมาให้เสีต่โดยดีก็จะเคราะห์ร้ายไปด้วยเข้าใจ รรักรักรักรักรักรักรักรักแล้วก็รักค่ะดารินวราริศกระพินไพวันอ่านจดหมายสีชมพูฉบับนั้นจนถึงประโยคสุดท้ายด้วยตาอันรีซึงแล้วบรรจงพับช้าๆมันจุกซองตามเดิมค่อยๆหยอ่อนลงกระเป๋าเสือ้อแนบหัวใจเอ็นหลังพิงต้นมะข่า ทอดสายตามือยังปราศจากจุดหมายไปยังยอดกลางสูงระงานที่โผล่ขึ้นมาเหนือบ้านพักอันเป็นสถานีกักสัตว์ของเขาจมดิ่งอยู่ในผวงลึกขนาดนั้นเองคนสีคนก็เดินเรียงกันขึ้นมาเป็นจเป็นขบวนจากทางอันล่าต่ำไปสู่ลำห้วยพร้อมกับตะโกนเรียกนายวู้ นายตะเท่าบุญคำเดินนำหน้าจันเกิดแล้วก็เซยตามมาเบื้องหลังลักษณะของคนเหล่านั้นไม่ได้รีบร้อนอะไรนะักแต่เสียงตะโกนเรียกดังลั่นจนหน้ารำคาญ ร, รบพินขมวดคิ้วมองไม่เอย่ยให้เสียงตอบใดๆทั้งสิ้นพระพรานพื้นเมืองทั้งสี่ก็มองเห็นเขาอยู่แล้วไม่รู้มันจะตะโกนโบกเวกเรียกหาสวรรค์ ว, วิมานอะไร เขานั่งนิ่งเฉยอยู่ในอาการเดิมจนกระทั่งทั้งสี่เดินเข้ามาถึงมีอะไรตะโกนโว๊กโว๊กอยู่ได้เสือลากใครไปกินเท่าไงเขาถามเสียงคุนคุณทั้งสี่คนหัวเราะบุญคำบอกว่าเสือนะี่ยมันได้ลากใครไปหรอกนายแต่คุณอัมพลนะ่ะให้ผู้จัดการมาตามนายสั่งให้เข้าไปที่สถานีกักสัต เห็นว่ามีธุระด่วนจีให้นายไปเดี๋ยวนี้ฮึธุระด่วนจีเหะบุญคำยิ้มแห้งๆก็ธุระอะไรก็ไม่รู้สินายแต่เขาก็สั่งมาอย่างนี้แหละบุญคำตามหานายอยู่ตัา้งนานนึกว่าอยู่บนเรือนหนดหาจนถั่วก็ไม่พบมาหนังหลับอยู่ใต้ต้นไม้นี่เองไปกันเถะนาย เกลือกของแห้งเราก็หมดแล้วมันถึงเวลาที่นายจะต้องเข้าไปจ่ายของในตังบนพอดีบุญคำไร่พวกนี้ก็จะเข้าไปด้วยจะได้ช่วยกันขนของไงระพินไพรวันถอนหายใจฮือลุกขึ้นยืนอย่างเกียจคร้านบนพื้พังออกมาว่าเฮ้ยเบือ่อจําเมื่อไรเราถึงจะมีชีวิตอยู่ได้อิสระ โดยไม่ต้องคอยเป็นขี้ข่าของพวกนายทุนสีทีเนา ะ, ะไปก็ไปเว้ยฉันจะแว้เข้าไปเยี่ยมแม่ที่อำเภอด้วยทั้งหมดเดินลงจากเนินเหนือฝั่งทานตรงไปยังบ้านพักและชั่วไม่นานจิ๊กแลนด์โรเวอร์เก่าคร่ำคร่าที่จอดอยู่ใต้เงาไม้ก็ติดเครื่องดังสนัน่นเริ่มควบขโยขยเยกออกไป ตามเส้นทางซึ่งแกตัดเข้าตำบนทิ้งฝุ่นให้ปลิวตลบอยู่เบื้องหลังท่ามกลางเสียงนกยูงและลิงข้างบางชนีที่ร้องระงมอยู่รอบอาณาบริเวณ 1. อําพลพลากรผู้อำนวยการของบริษัทไทยไวไลน์นั่งสูบซิก้าเงียบเงียบอยู่คนเดียว ภายในห้องรับแขกของอาคารบริเวณกัดสัตว์เขาอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างยินดีและลุกขึ้นยืนโดยเร็วเมื่อบุรุษร่างสันทัดในชุดสีกะกีขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นแดงก้าวเข้ามาในห้องประพินโอ้มาเร็วทันใจดีเหลือเกินนี่ผมก็รอรอคุณอยู่ทีเดียวให้ประเสริฐไปตามนึกว่าคุณยังไม่มาผมเห็นจะต้องถอไปหาคุณเองที่หนองน้าแห้งตอนพลบค่านี้ให้ได้แล้วสิ พร้อมกับพูดผ่วนลอยการของกิจการส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศโดยอภิสิทธ์ก็กระวีกระวาดเข้ามาจับแขนเขาดึงเข้ามาที่เก้าอี้ชุดวายร้องด้วยบอกแล้วกดไหลผู้ติดต่อมาโดยเร็วว่าอ่ะนั่งนั่งนั่งพ่อคุณเอาเบียร์บรันดีหรือวิสกี้ดีล่ะกระพินไพรวันถอดหมวกออกเป่าลมระบายความร้อนลงไปในอกเสือ้อ พร้อมกับยิ้มน้อยๆไม่ต้องรั้ครับกูน้ำพลอย่าห่วงเลยนายทุนใหญ่ของเขาที่ทำงานร่วมกันมานานไม่ฟังเสียงเดินไปที่ไซา์บอร์ดหยิบขวด v s o อขีดแก้วออกมาสองใบแล้วตะโกนสั่งเด็กให้จับน้ำเย็นกับน้ำแข็งมาให้อึ่ใจเดียวทุกอย่างก็พร้อมวางอยู่บนโต๊ะพรานใหญ่เพียงแต่ดื่มน้าเย็นจนเกือบหมดแก้วและมองหน้าผู้อานวยการ ซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าของเขาเสียงนายอำพลบน่นยืดยาวต่อมาบนเสียงหัวเราะนี่จะประคุณเอ้ยคุณไม่ค่อยได้พบหน้าเลยคุณน่ะตามหาตัวยากชะมัดทับผ่าทิคุณนะ่ะทำให้ผมถูกดา่าจนเอากระบุงโกยไม่ไหวตลอดระยะเวลาสองสามเดือนมานี่รู้เปล่าใครด่าคุณอำพลครับและด่าเรื่องอะไรนายอัพลจุปากจิกจัก ก็จะอะไรสะอีกละคุณก็พี่น้องราชสกุลวราริตน่ะสิโดยเฉพาะยิงย่งอ่ะคุณหญิงดารินเธอน่ะสั์ผมจะไม่มีชิ้นดีหาว่าผมไม่ติดต่อตามหาคุณหรือส่งข่าวอะไรให้เธอทราบบ้างเลยจอมพรานเลิกคิวนิดหนึ่งสีหน้ากล้านเกรียมด้วยไอแดดของเขาไม่ส่อความรู้สึกอะไรทั้งสิ่งแต่เอื้อมไปหยิบแก้วบรนดีมาคลึงไว้ในฝ่ามือทั้งสอง คุณนำพลก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับอาชีพของผมต้องเข้าปาอยู่ตลอดเวลานานๆถึงจะกลับเข้ามาที่หนองน้ำแห้งสักครั้งหนึ่งอีกฝ่ายหัวเราะจ้องใบหน้าคมดวงตาเฉียบนั้นอย่างรักใคร่สนิทสนมประพินคุณน่ะผิดนัดกับท่านเหล่านั้นหลายครั้งหลายหนไม่ใช่เหรอคุณบอกว่าจะลงมาเยี่ยมพวกท่านที่กรุงเทพแล้วคุณก็ไม่ไป ระพินบิดกายอย่างเมื่อยขบเกียดครานพึมพำว่าโถ่กุน้ำพลมันจำไปจริงๆค ร, รับผมก็ต้องมีธุระเข้าป่าอยู่เรื่อยในอาการที่ผมไม่ได้ลงไปกรุงเทพก็ไม่ได้ทำให้อดีตกลุ่มนายจ้างของผมถ้าต้องผิดหวังอะไรนี่ผมมันคนป่าคนดงห่างแสงสีเมืองหลวงมานานก็เลยขี้เกียจลงไปเห็นความจอแจในเมืองหลวงผมเมาละ ไม่อยากจะเป็นลุงเชยตอนเข้ากรุงอะเพราะแต่คุณอำพลมีธุระอะไรสำคัญนักหรือเปล่าถึงใครผู้จัดการไปตามผมมันเนี่ยเจ้าของสถานที่นิ่งไปสักครู่หนึ่งหยิบซิก้าที่วางไว้บนที่เขี่ยขึ้นมาจุดสูบอีกครั้งหนึ่งอืมคุณเมื่อวานซ้นเนี่ยนะท่านผู้ใหญ่เรียกผมลงไปพบที่กรุงเทพท่านรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็อธิบดีป่าไม้อ่ะ นายอำพลกล่าวช้าๆสีหน้าเป็นงานเป็นการขึ้นพรนใหญ่จิบรรันดีแล้วตะแคงหูอย่างชางนนิดๆมองหน้านายห้างของเขาตาไม่กระพริบเหมือนจะเตืนให้พูดจบคือผมน่ะเคยพบท่านผู้ใหญ่เหล่านี้แล้วก็ปรึกษาหารือกันมานานแล้วล่ะเรื่องอะไรล่ะครับก็เกี่ยวกับบริเวณป่าใหญ่ที่ผมคุณ แล้วก็พวกเราทั้งหลายทำมาหากินเงินอยู่นี่แหละคุณทําไมล่ะครับก็รัฐบาลนะสิเขากําลังมีโครงการที่จะประกาศเขตป่าใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นวันอุทยานแหล่งสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตามพรบมันก็ไม่เบาไม่ไม่เลวนะครับจอมรานครางในลําคอเบาๆพร้อมกับยิ้มหยันว่างๆคุณอําพลลองเชิญท่าน รัฐมนตรีหรือท่านอธิบดีมาประาพาสป่าดงดึกแถวนี้ดูบ้างสิครับแล้วก็ช่วยจัดหาพรานคนอื่นนำทางตรวจป่าให้ท่านด้วยสำหรับตัวกระผมนะขอตัวก่อนแล้วครับเพราะกระผมไม่แน่ใจว่าจะให้ความคุ้มครองท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นได้หรือไม่จากสัตว์ป่าดูร้ายและก็ความตายนาน า, นาชนิดในดงดึกดาบันแถวนี้ก็ให้ท่านไปชี้เตเดาเองแล้วกัน ว่าส่วนไหนมั่งจะทำเป็นวนอุทยานหรือป่าสงวนก็ผมน่กากลัวครับว่าจะพากันหายก้าไปโดยไม่มีโอกาสกลับมาเท่านั้นนายอําพลโบกมือนี่คุณพินผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะป่าที่คุณท่องเที่ยวอยู่นะมันเป็นป่าเวอร์จินที่ยังไม่เคยมีมนุษย์คนไหนบุกเบิกมา ก, ก่อนจะมีก็แตคุณเองนั่นแหละที่เป็นผู้บุกเบิก มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอย่างยิ่งแต่มันก็คงเป็นดงมรณะของคนแปลกหน้าไม่คุ้นเคยกับมันมาก่อนผมน่ะไม่ได้เป็นฝ่ายเสนอท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นหรอกแต่ท่านพอจะรู้ข่าวอันเนื่องมาจากกิจการส่งสัตวปปาออกจำหน่ายต่างประเทศของผมนี่แหละคุณนําพลครับความจริงนะท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นก็ล้วนสนิทชิดชอบ เพื่อเกี่ยวดองเป็นยากมิดกับคุณำพลทั้งนั้นไม่ใช่หรอครับไม่เะ่นนั้นคุณำพลจะไม่ดำเนินกิจการส่รงสัตว์ตาออกนอกได้อย่างนี้หรอกก็มีคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่ทำได้อยู่ในขนาดนี้ผู้อำนวยการขยี้ปลายจมูกเบาๆท่าทางเขาอึดอัดใจนิดๆเรื่องนั้นนะเราก็รู้กันอยู่แล้วระพินที่นี่นะมันเป็นดาริของรัฐนะคุณ ดัริที่จะประกาศเขตป่านี้ทั้งหมดเป็นป่าสงวนห้ามไม่ให้มีการล่าสัตว์ห้ามไม่ให้ตัดไม้แล้วก็จัดตั้งสถานีคุ้มครองดูแลขึ้นก็ดีเลครับคุณอำพลถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนไหนจะมาให้ความคุ้มครองดูแลได้สําหรับป่าแถบนี้คุณรพินไม่มีพนักงานป่าไม้คนไหนหรอกที่จะมาดูแลได้นอกจากคุณคนเดียวและทางรัฐบาลก็กําหนดไว้แล้ว ว่าจะให้คุณนั่นแหละเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในฐานะที่คุณเป็นผู้บุกเบิกครั้งแรกแล้วก็รู้จักหมดทุกห้วยหนองทุกขุนเขาชนิดหลับตาเดินได้ทางมหาไทยนะก็กำลังจะยกหมู่บ้านนอกสัมโนประชากรของคุณคือหมู่บ้านหนองน้ำแห้งนะขึ้นเป็นตำบลแล้วเขาก็จะให้คุณนะเป็นกำนันที่นั่นด้วยระพินไพรวันผายมือกว้างออกไป พร้อมกันยกไหลขอโทษครับผมผมไม่รับตำแหน่งอันมีเกียรินี่หรอกครับอ่ะทำไมล่ะรพินอําพลถามเสียงสูงจอมพันหัวร้อฮือในลำคอผมไม่อยากจะสร้างศัตรูเขอละคุณอัพลก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าพวกเราแถวหนองน้ำแห้งแล้วก็ในปาลึกเข้าไปนะ่ะล้วนแต่เป็นคนตากันอย่างแท้จริง เราไม่ใช่คนเมืองชีวิตแต่ละคนจะดำรงอยู่ได้ก็โดยการหากินโดยอิสระจากทรัพยากรในป่านั่นแหละคนเหล่านั้นไม่สามารถจะไปซื้อไม้แปรรูปที่ไหนมาสร้างบ้านเรือนได้เขาก็ต้องตัดไม้ในป่าซึ่งมีอยู่โดมสมบูรณ์นั่นแหละมาปลูกเพลิงพักพอคุ้มแดดคุ้มฝนของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงหมูเป็ดไก่หรือมีอาหารอย่างที่ชาวเมืองหาซื้อกินกันได้ เขาก็ต้องอาศัยผักหญ้าและสัตว์ป่ากินเป็นอาหารล้มกวางหรือกระทิงได้สักตัวหนึ่งก็กินกันไปแรมเดือนไม่มีใครคิดที่จะทำลายป่าเป็นล่ำเป็นสันนอกจากประทังชีวิตอยู่ได้ไปวันๆตามประสาของเขาถ้าหากที่นั่นประกาศเป็นเขตป่าสงวนเมื่อไหร่แล้วท้าผมกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลคอย ห, หวงห้ามไม่ให้มีการตัดต้นไม้หรือล่าสัตว์มาเป็นอาหารเมื่อไร ผมก็คงตายเร็วเข้าเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นขอให้เขาจัดหาเจ้าหน้าที่มาทำงานนี้แทนผมดีกว่าครับไอ้ผมน่าไม่เป็นไรหรอกเท่าที่ผมเป็นพรานจับสัตว์มาขายต่อให้คุณอาพลอยู่ทุกวันนี่ก็เพราะคุณอำพลจ้างผมคุณอำพลเองก็มีอภิสิทธิ์ที่จะทาการค้าชนิดนี้ได้เพียงคนเดียวในประเทศไทยแต่ถ้าหากกิจการนี้จะต้องล้มเลิกไปผมก็ยินดีเสมอครับ ผมไม่ใช่นักรังแกสัตว์อย่างพรานสมัครเล่นหรือพรานจากเมืองกรุงทั่วๆวไปไอการดักจับสัตว์ของผมเท่าที่แล้วมาเนี่ยก็มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคุณนั่นแหละเป็นผู้มอบหมายให้ผมถึงแม้ว่าผมจะเลิกอาชีพนี้ผมก็ไปทำอย่างอื่นได้แต่คุณนั่นแหละคุณ น, นําพลลำบากหน่อยเพราะนี่นะ่ะเป็นอาชีพหลักของคุณถ้าเขาห้ามจับสัตว์ป่าในเขตนี้เมื่อไหร่ คุณก็ต้องเลิกล้มงานทั้งหมดอำพลขยับกายอย่างไม่สู้จะปลอดโปร่งใจนะพูดเสียงต่ำๆว่าคุณรพินกดทุกอย่างนะมันย่อมมีข้อยกเว้นทั้งนั้นน่ะคุณผมยังได้รับสิทธิให้ดําเนินการค้าสัตว์ป่าได้เหมือนเดิมแล้วคุณก็ต้องออกตะเวนหาสัตว์ป่าตามออเดอร์ของผมเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะป้องกัน และห้ามไม่ให้พวกพรานพื้นเมืองล่าสัตว์หรือตัดต้นไม้รระพินไรวันหัวเราะออกมาเบาๆโอ้คุณยิ่งบอลไลหนักเข้าไปได้วยสิครับห้ามมค่คนอื่นทำแต่ฝ่ายเราทันได้อย่างเดียวโอ้รับรองไม่เพียงแต่ผมเท่านั้นที่จะถูกแอบเป่าดับภายในสามวันเจ็ดวันไอสถานีกักสัตว์ของคุณอำพลที่นี่ก็อาจจะถูกปล้น หรือแอบวางเพลิงเมื่อไหร่ก็ได้จากพวกพรานป่าพื้นเมืองผมไม่เห็นด้วยจริงๆแต่ไอัวิธีการนคนอื่นไม่หาใส่ปากใส่ท้องแต่เราเองน่ะกินซะอย่างอิมหมีพีมันความจริงผมน่ะห น, นีไอ้วิธีการชั่วแชกเลวร้ายแบบนี้เข้ามาอยู่ในเมืองในไอในป่าแล้วนะแต่เสร็จแล้วกลับปรากฏว่าไอ้วิธีการชั่วช่วแบบนี้ก็ยัง ข, ขยายเข้ามาเล่นงานผมและพวกผมได้อีกเออ ผมว่าคุณนําพลจะคิดผิดซะแล้วนะผลที่สุดคุณนะ่ะจะอยู่ที่ตําบล น, นี้ไม่ได้ระพินแปล ว, ว่าคุณไม่เห็นด้วยเหรอที่จะให้เขตป่าเหล่านี้นะ่ะเป็นป่าสงวนคุณนําพลครับไอการสงวนป่าไว้นะ่ะมันดีแน่ครับแต่เราควรพิจารณาสัก่อนว่าป่าเขตไหนบ้างและสะภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไป ป่าน้องน้ำแห้งน่ะเป็นป่าทึบโดงดิดที่ห่างไกลผู้คนมากและถ้าวัดตามเส้นพรมแดนกันจริงๆแล้วเดินแค่ไม่ถึงสามสิบกิโลก็เข้าเขตพม่ า, า, มาแล้วคนป่าคนดอยในแถบนี้ก็มีไม่มากนะ ป, ปีปีหนึ่งเขาตัดไม้กันไม่กี่ต้นล้มสัตว์ที่มีอยู่ชุกชุมปีหนึ่งไม่กี่ตัวเพื่อเฉพาะนำมาเป็นอาหารปายังไม่อยู่ในภาวะที่ถูกทาลาย และจะต้องเร่งออกกฎหมายคุ้มครองขึ้นมาคุณอำพลผมอยากจะถามหน่อยว่าหน้าไหนจะเข้ามาคุ้มครองได้หน้าไหนครับสามารถจะเดินเข้าไปคนเดียวหรือไปกับพวกโดยไม่มีพานนำทางแล้วจะกลับออกมาได้และสมมุติสมมุตินะครับว่าประกาศเป็นเขตป่าสงวนจริงๆใกล้หน้าไหนอีกละ่ะ ที่จะสามารถคอยสอดส่องดูแลได้ทั่วถึงเวลานึกจะออกกฎหมายก็ไปลอกเลียนประเทศที่จะเรินแล้วเข้ามาแต่ถึงเวลาที่จะต้องรักษากฎหมายขึ้นมาก็ไม่มีปัญญาจะทําได้เดี่ยวว่าแต่จะตั้งเป็นสถานีวณอุทยานมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลแค่คนสองคนเลยครับ่อให้เอาทาหารสักหนึ่งกองพันมาเฝ้าดูแลก็คุ้มครองไม่ทั่วถึงหรอกสาหรับดงดิฐเขตนี้ ก็เพราะอย่างนี้แหละระพินเขาถึงต้องการจะแต่งตั้งคุณเป็นหัวหน้าวนะอุทยานควบคุมดูแลเพราะเขารู้ว่าคุณชำนาญอยู่แล้วไงระพินทำเสียงในลำคออีกครั้งยกบรนดีขึ้นดึงก็ได้ครับคุณน้ำพลแต่ต้องขออุปกรณ์ผมให้ครบมือด้วยนะครับพอที่จะให้ผมปฏิบัติงานได้ผลให้ผมได้ไหมล่ะ ก็อะไรมั่งล่ะที่คุณต้องการอะ 1. นผมขอเฮลิคอปเตอร์ให้ผมสักลำสำหรับบินตรวจป่า 2. ของบประมาณและกำลังคนประมาณอย่างต่ำห้าร้อยคนเพื่อจะก่อตั้งสถานีหรือด่านตรวจประมาณร้อยห้าสิบจุด 3. ขอให้ทางราชการจัดส่งอาหารประเภทเนื้อและผักไปให้ชาวป่าชาวเขา ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้โดยไม่ต้องให้เขาออกล่าสัต์ก็ไม่มากไม้อะไรนักหรอกครับอาทิตย์หนึ่งก็มีเนื้อสักสิบตัวหมูสักสามสิบตัวหรือไก่สักสองร้อตัวก็เห็นจะพอแล้วครับสำหรับในระยะแรกเริ่มนี่ต่อไปเราก็จะจัดหาพันธ์สัตว์เลี้ยงที่เป็นอาหารได้ไปให้เขาเลี้ยงกันเฮ้ยรับพิน ผัวในการบริษัทไทไวไลท์หงายหลังพิงเก้าอี้ดยความสัตย์จริงนะคุณผมก็ไม่คิดที่จะให้ป่าเขตนี้เป็นป่าสงวนหรอกผมน่ะมีความรู้สึกเหมือนคุณแต่ผู้ใหญ่ท่านจะเอายังงั้นนี่คุณผมก็ไม่รู้จะคัดค้าน ย, ยังไงจริงๆอยายแก่ท่านเหล่านั้นมาได้ยินคุณพูดเดี๋ยวนี้เหลือเกินมันก็จริงเหมือนอย่างที่คุณว่าทุกอย่างละ นี่คุณคุณอำพลผมถามคุณง่ายๆยอย่างเดียวนะชาวเมืองนะมีหมูมีเนื้อมีไก่กินชาวป่าชาวโดยท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นคิดว่าเขาควรจะกินอะไรครับยันเขากินหญ้าคากันหนอนหรือว่าดินโป่งยางงั้นเหรอคุณถ้าห้ามไม่เขาล่าสัตว์ผมมีสถิติอยู่ในมือนะครับว่าพวกชาวป่าชาวโดยเหล่านี้นะ่ะ ล่าสัตว์ปาเพื่อเป็นอาหารวัน ล, ละกี่ตัวและป่านี่มีสัตว์อะไรอยู่บ้างจํานวนสักเท่าไหร่คิดเทียบต่ออัตราการล่าแล้วน่ะมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของสัตว์ที่มีอยู่นะคะแต่การดักจับ ส, สัตว์ส่งให้กับสถานีของคุณแล้วนำออกส่งส่งออกนี่ทคุณเทียบแล้วน่ะมันจะลดจํานวนสัตว์ป่าบางประเภทไปถึงสามสิบเปอร์เซนตทำไมล่ะครับ ทำไมก็ถึงไม่ห้ามคุณเรื่องการส่งสัตว์ป่าออกนอกมั่งคำตอบมันก็มีอยู่แล้วอยายผมต้องพูดเลยกอย่างดีนะที่คนมีอภิสิทธิ์อย่างคุณนะ่ะไม่มาเปิดกิจการตัดไม้หรือโรงเลื่อยขึ้นที่นี่ไม่งั้นไม้ในป่านี่จะวอดไปสักเท่าไหร่ก็ยังไม่สร้าง